จะปฏิบัติไว้กรรมาฐานาเวลาฟังละมือลงกันเนะไม่ต้องาตอมือลุกมั่วยต้องสามสิบนาทีาวันวานนี้ปฏิบัติในตอนต้นแมนะนำในตอนต้นวันนี้ต้องขึ้นต้นใหม่แล้วมั้งพระจต้นหมดแล้วนะมั้งการขึ้นต้นขจะเรียกรรมาฐานถ้าเอากันเต็มแบบจริงๆนะ ถ้าเต็มแบบจริงๆนะก็พระโบราณอาจารย์ได้สอนบอกใช้มิปัญนายานก่อนคือว่าใชอารมณ์ปัญนายานอย่างอ่อนให้คิดถึงไตรลักษณ์ญญ า, าแค่นิ้จังทุกขังอนาตาอันดับแรกจะบอกว่าให้คิดตามความเป็นจริงของไตรลักษณ์ปัญญาอันหนึ่งทุกขงังการเกิดมาใิโลกการมีชีวิตของคนและสัตว์มันเต็มไปด้วยความทุกข์ ความหิวเป็นความทุกข์ความกระหายเป็นความทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นความทุกข์การประกอบกิจการงานต่างๆเหน็ดเหนื่อยก็เป็นความทุกข์ความแก่เป็นความทุกข์การพัดพลาดจะของรักของชอบใจเป็นความทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงก็เป็นความทุกข์ในโลกนี้ในเมื่อมันเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงต่อมาว่าทุกข์ตามนี้ ที่มันทุกข์กับาอาการต่างๆมันไม่เที่ยงมันไม่มีการทรงตัวที่ว่าไม่เที่ยงเพราะว่าการเกิดมาเป็นคนเราไม่ได้เกิดในยศร่างกายใหญ่ขนาดนี้เป็นเด็กเล็กมาก่อนในสมัยนั้นช่วยตัวเองไม่ได้ความหิวความกระหายเกิดขึ้นถ้าไม่มีใครให้อาหารเราก็เป็นทุกข์การปวดอุจจาระปัสสาวะไม่มีใครเคยช่วยระท่ายรถที่นอน รวมความว่าความทุกข์มันมีไม่ตั้งเด็กต่อมาเป็นผู้ใหญ่ก็ความมีความทุกข์อันนี้จังแล้วก็ทุกขังต่อไปก็อนัตตาอนนัตตาคิดถึงตามเกินจริงว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เกิดมาในโลกนี้ในที่สุดคนและสัตว์ตายหมดทั้งโลกเราก็ตายไม่กันในอันดับแรกเราคิดี่ปัชนาญาอย่างอ่อนเบาๆแบบนี้คิดแค่พอคิดได้ ทำให้จิตใจเห็นว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นของไม่ดีมันมีการทรงตัวเพื่อความทุกข์ต่อไปที่เราเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเมื่อรวมที่เราร่วมเรียกว่าเจริญด้วกรรมฐานเราทําเพื่อความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์ก็เราจะมีได้อันดับแรกความพ้นทุกข์เบื้องต่ําก็คือถ้าบังเอิญเราเกิดมาเป็นมนุษย์ต่อไป หรือว่าเราตายจากชาตินี้เราจะไม่ไปอบายภูมิคือไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเปรตเราสุรกายเป็นสติฉานยางเลวก็อยู่แค่มนุษย์ถ้าดีขึ้นไปหน่อยกาลังใจดีขึ้นเราเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าก็มีความสุขพอสมควรถ้ามีรมเข้มข้นในบุญกุศลเราก็เป็นลม ก็ได้ว่าเราก็คิดต่อไปว่าการเป็นเทวดาก็ดีเป็นนาวฟ้าก็ดีเป็นพรมก็ดีทั้งหมดท่านมีความสุขจริงก็ได้ว่าความสุขของท่านไม่ยั่งยืนเมื่อหมดบุญบาบ ร, รมีก็จดติตมาเกิดใหม่มีความทุกข์ความสุขจริงๆของเราที่พึงมีได้ตลอดกาลตลอดสมัยก็คือนิพพานตั้งใจใช้กำลังใจวิปัสสนาอ่อนๆแบบนี้พอเริ่มจิตเป็นสุข หลังจากนั่นก็กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้าถ้าใช้คำภาวนาสั้นๆแบบพุทธานุสติแต่ว่าคำภาวนานี้ไม่จํากัดใครภ า, าวนาไยังไงก็ได้เพราะาว่ากรรมฐานเบื้องต้นเขาไม่จํากัดคำภาวนานถ้าเข้าไปจุกลางประเจริญกรรมฐานประจํากองไม่จําเป็นต้น ต้นยำไก่คำโมนาเฉพาะกอในตอนตอน้นงก็ขอแนะนำคำโมนาว่าพุทธโธเวลาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกตามมาโธอย่างนี้ทาเพียงแค่จิตเป็นสุขถ้าอารมณ์พุ่งสร้างเกินไปหลงเพไหลไปคิดรมอื่นเข้ามาแทรก เมื่อมันเข้ามาแทรกเราก็แทรกก็แทรกไปพอ ร, รู้ตัวเราก็เริ่มต้นใหม่ให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนวพรอย่างนี้ทําพอรมจิตเป็นสุขถ้ามีลมจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปคนไม่ไหวจงเลิกอย่าฝืนอย่าบังคับเวลาอย่าตั้งเวลาบังคับอันนี้เป็นกรรมฐานเบื้องต้นตอนต้นขึ้นเหมือนกันหมดแล้วต่อไปก็วันนี้จะขอ แนะนำกรนมาถานขั้นต้นของนิพพานจะเราต้องการเข้านิพพานถ้านิพพานมีความสุขจริงๆถ้าจะถามว่าทุกคนมีสิทธิเข้านิพพานไหม <c oughs> ก็ต้องขอตอบว่าทุกคนมีสิทธิพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นถ้าจะถามว่ากําลังความดีไม่พอจะเข้านิพพานได้ไหมก็ต้องตอบว่าแต่ความดียังไม่พอก็ยังไม่ไปนิพพาน ถ้คนเราไม่ได้ยักยั้งความดีคนทุกคนสร้างความดีทุกวันความดีที่ทำที่อยู่กับบ้านหนึ่งการบูชาพระเป็นความดีเป็นแนวทางเขาง้านิพพานของมีความกตัญญูรู้คุณตะวิดามันดาสงเคราะห์ท่านตอบแทนท่านด้วความดีหาอาหารให้ท่านปฏิบัติท่านอันนี้ก็เป็นบุญใหญ่เป็นได้งความดีเป็นทางเข้าสู่นิพพานความดีนะั่นเรามีทุกวัน บางครั้งจิตเห็นพระพุทธรูปเข้าจิตมีความเรื่อมใส ย, ยกมือไหว้หรือไม่ยกมือไหว้ใจใจแสดงความเคารพก็เป็นความดีนี่ก็เป็นบุญก็เป็นตั้งเก้าในนขา้านิพพานเจอคนนี้อดอยากแล้วเจอสัตว์ที่มีความลําบากมีความสงสาเรามีอาหารนิดหนึ่งไม่เสียแต่อาหารที่เราไม่ต้องการแต่ก็พึงบังเอิญไปอาหารนิดสัตว์จะพึงกินได้แล้วก็ให้สัตว์อย่างนี้ก็เป็นทานามบา ร, รีเป็นทางเขา้านิพพาน ตรวความว่าความดีนะ่ยทุกคนทำทุกวันแต่เว้นไว้แต่ว่าท่านจะไม่เข้าใจในความดีความดีทุกจุดที่ทำไปเป็นเป็นปัจจัยเป็นเหตุบุญบา ร, รมีของเราเต็มในวันหน้าถ้าบุญบา ร, รมีเต็มอะไรก็ปณิธานเหมือนนั้นตอนนี้แต่พูดกันแบบนี้ก็เห็นยันเหนื่อยแย่คนฟังเหนือหอหน่อยแล้วไม่เหนื่อยไม่ทราบแต่คนพูดเหนื่อยไ yeah. คือว่าถ้าหาความเข้าใจจะยากนี้ก้าวแรกที่เราจะเข้าสู่ น, นิพพานก็คือการเป็นบสวดาบันการเป็นบสดาบันพระโสดาบันเขแปลว่าเข้าถึงกระแสนิพพานเริ่มตน้นถ้าคนใดปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างบสวดาบันได้บาปเก่าๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดเว้นไว้แต่บาปที่เป็นอนันตริยกรรม อันนั้นเด็ดเกรรมไม่ึงข้าพ่อข้าแม่ข้าพระรหันธมุขเจ้าหอบโรหิตทำสังเพศทำสงฆแตกกันเป็นต้นอย่างนี้ถ้ากรรมหนักขนาดนี้เขาช่วยไม่ได้ถ้าคำมกรรมไม่ถึงประเภทนี้พระโสดาบันช่วยได้ยังข้าวัวข้าควายข่าปลาข้าเป็ดข้าไก่ขโมยน้อยขโมยนี่กขวายตามเรื่อง ที่แล้วผ่านมาขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราปฏิบัติถึงความเป็นโสดาบันบาป ท, ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีโอกาสให้ผลคือไม่สามารถดันนำลงอบายภูมิได้อบายภูมิมีสีขั้นคือสัตว์นรกเปรตสุรกายสติริชานอันนี้ก็สำหรับรโสดาบันที่ปฏิบัติยังไงความจริงโสดาบันก็ดีพระสิกขาคามีก็ดี นี่ก็ต้องพทกันทุกเที่ยวก็ใช้กําลังใจกรรมฐานเบามากคือใช้เพียงเพียงแค่อนุสติคือตามนึกถึงเท่านั้นเองคือทรงอารมณ์อยู่ตามนึกถึงแต่ทรงอารมณ์อยู่ไม่ลืมไม่เรียนไม่ต้องใช้กําลังใจเป็นฌานสูงอันดับแรกนึกถึงอะไรอันดับแรกนึกถึงความตาย ที่เรียกว่าตัดสกายยะทิฐิคําั้นสกายติิมีความคิดว่าเราเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราในกรหม่อความว่าเรามีชีวิตอยู่เราไม่คิดว่าเราจะตายไม่เคยนึกถึงความตายชาวบ้านเขาตายให้เราเห็นเราเห็นเขาตายแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะตายอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์สกายยะทิฐิ แต่ว่าการตัดสกรรมยุทิก็มีรมกลับกันต่อต้านกันตามความเป็นจริงนั่นคือมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราสักวันหนึ่งข้างหน้ามันจะตายเรารู้แน่ว่ามันจะตายติดจะตายวันนี้ตายวันหน้าตายเดือนไหนปีไหนนะไม่ทราบตายแน่เมื่อเข้าใจว่าเราจะตายไม่ชีวิตยังมีเวลาอยู่ก็สร้างความดีป้องกันอันบัยภูมิ นั่นคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจเมื่อกำลังใจก็เรา ย, ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อันนี้แปล น, นสติหมดนะการนึกถึงความตายเป็นมรณา น, นสติกรรมฐานถ้เรื่องความตายนี้ไม่ได้คิดทั้งย4ี่ชั่วโมง ไม่ได้คิดตลอดวันโดยเพียงมีอารมณ์คิดว่าวันนี้เราดึงตาขึ้นมาเห็นมันใหม่แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเห็นพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นมันอาจจะตายเช้าก่อนก็ได้พอถึงเวลาค่ําคืนเวลาตอนเย็นเราเห็นพระอาทิตย์ตกแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเห็นพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า มันอาจจะตายก็ได้จะตายหรือไม่ตายก็ตามทีระหว่างนี้เราต้องเป็นคนมีกําลังใจเป็นบุญนั่นคือยอมรับนับถือพระพุตรเจ้าเรียกว่าพุท ธ, ธานุสติยอมนับนับถือพระธรรมคําสอนของพระเจ้าเรียกว่าธรรมานุสติยอมรับนับถือพระสงฆ์สาวกพระพเจ้าเรียกว่าสังขานุสติ ถ้าเรามีอนุสติทั้มสามรายการประจำใจอยู่มันก็ต้องไม่ใช่ไปนึกกันทั้งวันนะเวลามีงานมีาการก็ทํทำงานจำการนกึกเรื่องงานไปแต่ยายามว่างแล้วก็นึกถึงพระ เ, เรื่องอารมณ์ธรรมดาธรรมด า, าว่าทุกวันเราไม่ลืมพระอย่างน้อยสุดเวลาตื่นเช้าใหม่ๆเรานึกถึงพระเวลาก่อนจะหลับเรานึกถึงพระด้วยความรบอย่างนี้ใช้ได้ ถ้าเพียงแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่นึกถึงพระธรรมไม่นึกถึงพระอริยสงฆ์แค่นี้เราตายก็ตกนรกไม่ได้แล้วเพราะว่าการตกนรกไม่ได้ครับมันเป็นชาติเดียวชาติน่ า, า จ, จะเผยได้แต่ถ้าว่าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งสามลัทธนะิณะอย่างนี้ยังไม่ถึงมรโสดาบันครึ่งหนึ่งมรโสดาบันกําลังใจสูงมาก ต่อไปก็ตัดศีลประทัปรามาตยเพื่อพยายามรักษาศีลห้าครบถ้วนศีลห้าได้บพร่องสิกขาบทไหนบดไหนบ้างแต่ทุกคนศีลห้ามีแต่บางคนจะครบห้าบ้างไม่ครบห้าบ้างมันมีบางสิกขาบทที่รักษาได้ตรจ ก, การบางสิกขาบทมีการบกพร่องพยายามยับยั้งสิกขาบทที่บกพร่องให้มันเต็มบริบูรณ์เสีย ได้ขอย้อนกลับว่านหนึ่งถ้าเราไม่ลืมความตายในการที่สองยอมรับนับถืพระพุทธเจ้าประทานพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจในการที่สามทรงสินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้ตามพระบาลีทะเรียกว่าโสดาบันพิสุทธิธาก็เป็นของไม่ยากอันนี้ก็มาคุยกันว่าคนที่เป็นมาโสดาบันนเขามีอารมณ์ยังไง ปาวโซดาบันจริงๆมีสามชั้นมีสตากาโตงโกลังโกละเอกวิชีกังลังบ ร, รมีกำลังใจอย่างอ่อนเรียวสัตากตโตตายจากความเป็นคนต้องเกิดเป็นเทวดาหรือคนอย่างได้เจีดชาติจริงจะไปนิพพานถ้ากำลังใจอย่างกลางเรียกว่าโกลังโกละถ้าตายจากความเป็นคนก็เกิดเป็นเทวดากับคนอย่างละสามชาติไปนิพพาน ถ้ายาวสูงเลวเอกวิชีถ้าตายจากคนแล้วเกิดเป็นเทวดาหนึ่งชาติเกิดเป็นคนขั้นสุดท้ายก็ป่านิพพานตอนนี้เรื่องราวที่จะคุยต่อไปนี้เป็นเรื่องของเอกวิชีเอกวิชีคือพระโสดาบันขั้นสูงสุดก็จะเล่านํามาถึงเรื่องบรรดาสามาวดีทุกคนอาจจะเคยฟังมาแล้วมนะั้งคือเทพไปบ้างหนังสือมีเปล่าไม่ทราบ เพื่อเรื่องราวว่าบรรนาวสามาวดียาวมากจะตัดเฉพาะพอสังควรเวลาว่าในกายครั้งหนึ่งรมโ์สมเดชประส ม, มาสัมพุทธเจา้าทรงพระเดชไปที่เมืองโกสัมพีเวลานั้นก็ปรายกฎว่ามหาเศรษฐีทั้งสามมีโคศกเศรษฐีทุกุตะเศรษฐีปริวารกาเศรษฐีนีมนพระพุทธเจ้าพักในวิหารที่เขาสร้าง แต่และ ว, วันเพื่อเจ้าพักวิหารจะของเจ้าของนี่หนึ่งวันจะของโน้นหนึ่งวันจะของโน้หนหวันสลับกันสามวิหารสลับกัน เ, นเรื่อยๆจนกว่าที่โรงจ ะ, สะเสด็จไปที่อื่นต่อมาในวันหนึ่งในมาลาการคือว่าคนจัดดอกไม้จัดสวนดอกไม้ของมหาเศรษฐีทั้งสามบาลีมาริบกับของไข่ก็ขอพรจากเศรษฐีทั้งสามว่าท่านท่านทั้งสาม มีมนพระพุทธเจ้ามาพระหันมาเป็นจำนวนมากและทําบุญบ้านระวันระวันละวั น, ลว น, ลวนสลับกันไปทุกวันข้า พ, พเจ้าก็อยากจะอยู่กับท่านมานานทํางไงก็ท่านก็อยากจะเลี้ยงพระพุทธเจ้ากระประสงบ้างขอสักวันได้ไหมถ้ามหาเศรษีท่านสั่งบอกว่าไดไม่เป็นไรจรึงขอว่าวันพรุ่งนี้ขอเป็นเจ้าภาพ ถาวายพัฏตาหารแก่พระพุทธเจ้าแล ะ, ระบรรดาพระรหารทั้งหลายพระเสด็จถ้อนไม้เขาก็จัดแจงเพื่อการเลี้ยงในตอนเช้าพระพุทธเจ้าสเสด็จ ก, ก็ไมะได้สาวกเต้องเป็นทหารล้วนในเวลานั้นไปที่นั่นก็เวลานั้นปรากฏว่าพระนางสา ม, มาวดีเป็นมีคนใช่ที่แสนฉลาดอยู่คนหนึ่งชื่อขุตรุตระยาคนนี้ฉลาดมากก็เป็นนั้นว่า บันดาสามาวดีได้รับค่าดอกไม้จากพระเจ้าเทนพระราจารสวามีวันละแปดกะหามันนกะหามันนาละทั้งหนึ่งตำลึงตะเนี้การออกนอกวงนะังในคนปกติใช่ออกมากลําบากก็ให้ถูกเจราทำเป็นหญิงหลังค่อมออกมาซื้อดอกไม้กระนานม า, มาลาการคุณจุตระาก็เป็นคนดีจริงๆคิดค่าเดินไปได้สองตำลึง ข้าเดินมาได้สองตำลึงเธอทำไมบาลีไม่ได้บอกว่าคิดนะฉันพูดเองคือไมาความท่านให้มาแปดตำลึงเธอก็ซื้อแค่สี่ตำลึงฉันคิดว่าข่าเดินของเธอก็เป็นว่าซื้อมาเฉพาะวันที่สี่ตำลึงพันนาวสา ม, มาวดีก็คิดว่าไอ้ค่าดอกไม้ที่ซื้อมานี่พระราชาของพระรา้าทานเท่านั้นต่อมาในวันนั้นเมื่อนายบรรลากานีมณ์พระพุทธเจ้าพร้อมพระรหารฉันทิบ้าน คุณจุตราก็ไปจะซื้อดอกไม้นัมาราการก็บอกว่าดอกไม้จะมีพร้อมแล้วแต่ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญพระพุทธเจ้าสเสด็จประโปรดที่นี่ต้องมีพระหันเกินกว่าห้าร้อยองค์พระพุทธคำว่าพระพุทธเจ้าไปขอหาได้ยากในโลกเขาต้องการกันมานานแล้วเวลานี้เราพบชื่มีบุญมากช่วยแกเลี้ยงพระซะก่อน คุุตราก็ยอมรับช่วยในมาลาการเลี้ยงพระมีพระเจ้าเป็นประธานพอฉันเสร็จพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศคำว่าโมทนาเวลานั้นก็คือเทศแนะนำว่าบุญที่ทำคนจะทำนั้นมีอะไรบ้างทำแล้วมีผลดป็นประการใดในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเทศจบคุธุตราที่ฟังเป็นบสดาบัน และเป็นโสดาบันขั้นสูงขั้นเอกวิชีแต่ความจริงบาลีไม่ได้บอกว่าเอกวิชีแต่อาการอาการของเธอบอกเป็นเอกวิชีคือเป็นดับขั้นสูงต่อมาเมื่อฟังเทศจบโสดาบันมีอะไรหนึ่งนึกถึงความตายสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามีสินหบริสุทธิ์ถ้าเอกวิชีแล้วก็มีกันหมดสิบบริสุทธิ์ ในเมื่อเธอต้องบริสุทธิ์แบบนี้ก็จะทำให้ตนไระองคเองเป็นคนไม่บริสุทธิ์ไม่ได้วันนั้นก็เลยต้องซื้อดอกไม้ทั้งหมดไปกับหาปณะไปตำร็งพอามาถึงบรรณาสามาวดีพรรนาสามาาามณีก็ถามว่าวันนี้พระราชาพระจะทานค่าดอกไม้เพิ่มขึ้นหรือเท่าตัวหรือเยอะมากขึ้นไปเอก็บอกว่าพระราทานพระราชาไม่จะประทานเพิ่มขึ้น แต่ว่าทุกวันหม่อมฉันเอาไว้ครึ่งตอนนี้ตรงๆไปตรงมาแล้วนะพระโสดาบันไม่คล้องดูสังเกตดูให้ดีนะพระโสดาบันไม่โคตรไม่เคี้ยวว่าหม่อมฉันเอาครึ่งหนึ่งแต่ว่าวันนี้ฟังเท่เจ้าพรธเจ้าเอาไม่ได้สิ้นขัดคอถ้าขืนเอาครึ่งหนึ่งสิ้นขาดมันมาสามเอาดีก็ไม่ต่อว่าต่อขันบอกท่ายงั้นความจริงเธอไว้ครึ่งก็ได้นะ ไอ้ดอกไม้สีกับคามนาฤครึ่งหนึ่งที่ซื้อมาก็พอใช้แต่พนาอุจราบอกไม่ได้ศีล ม, มองมองตอนที่ไปต้องซื้อวันละแปดกับคามนาติมัตราไม่เมื่อพน า, นางอุจราบอกว่าฟังเทเสจพระเจ้าแล้วต้องเป็นคนมีศีลโกงไม่ได้หญิงทั้งห้าร้อยคือนับพนาสา ม, มาวดีด้วย กับคนใช่ี้อีก499ิบเาเจริงคนได้นะฮะคนใช้นะห้0คนตะเว้นมาอุตราทคนเป็น่้หาเก้าสก็อยากจะฟังเทศถามพระเจ้าเทศยังไงคุณจุตรรายก็บอกว่าเทศได้แต่ว่าจำเป็นได้เกินต้องอาบน้ำาสียก่อนเพราะว่านำ้ำน้ำหอมไม่อาบ4ีบหกปอหลังจากนั้นก็นำผ้าสาดกมาสองผืนเมื่องผืนห่มผืนเป็นผ้าใหม่ ผู้เจตผูุ้ตราก็เทศเทศตามลีลาที่พระเจ้าของเทศตามบรีบกเทศเหมือนเลยคนนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผูเลิศในการเทศพอเทศจบรากรวิญงห้าร้อยมีพนาสามาอวีปประธานเป็นระโสดาบันหมดมาเป็นง่ายจริงงโง่งโงแบบนั้นเป็นง่ายๆคนฉลาดอย่างพวกเราเป็นยากหน่อยใช่ไหมพวกเราจะลายกว่าพคนสั้นคิดนะ ก็เป็นนั้นว่าเมื่อฟังเทศจบต่อมาหญิงห้าร้อยก็อยากจะเห็นพระพุทธเจา้าอยากจะไหวพระพุทธเจา้าคุณจุตรายก็เลยบอกว่ า, าออกไปจากวังไม่ได้เป็นอันตรายเพราะจะฐานมี ม, มีมีระเบียบจะมีโทษแต่ก็บอกว่าทุกเช้าพระพุทธจเจ้าเสด็จไปบ้านมหาเศรษฐีทั้งสามผ่านทางนี้ก็ไอ้เจาะช่องกำแพงต้องฝานะ่ เจ้ช่องหลกษาพอสมควรมองดูพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์มีดอกไม้บําบชาที่นั่นต่อมาก็ท่านานางนางคณียาหรือว่าเมียน้อยของพระเจ้าเทีนนะก็เป็นคนนานั้นมีรัษย์ย้ายแล้วก็คิดว่าคนนี้มันดีกว่าร้อยฉายประตำดาไปเห็นช่องเข่ามาคณิยาไปเห็นพวกนี้จอดนั่ต่างเล่นน้อยก็มาไปรายงานพระเจ้าเทีน ว่าหญิงทั้งหมดห้าร้อยกำหนึ่งคนมีพันนาสามาวดีเป็นานเป็นชู้กับพระสมณะโคดมเอาเขาแล้วเห็นไหมเจ๊ไหมออกไม่ได้เป็นชู้กันได้มันประกัดทึหนเลยเจ้าเทงบอนแล้วบอกเราว่าเจ้าเทงก็ไม่เชื่อในที่สุดนางขยังขยอก็ต้องมาดูมาดูถามเข้าถามว่าเจอะช่องทำไมกลางฟา พนาสามมาวดีก็รายงานทราบว่าต้องการจะไหวพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์ว่าโอกาสออกจากบังไม่มีก็เจาะช่องเล็กเพื่อดูและบูชาพระพุทธเจ้าพระเจ้าเทนไม่เคยติไม่เคยเตียนสั่งให้ทําหน้าต่างทันทีใช่ไหมแทนยืนไฟเจาะช่องเล็กนะอุดช่องเล็กไม่อุดแล้วเปิดถ้มันกว้างเรเห็นชัดๆ ด, ดีอย่างนี้ดีกว่ามาคณิยากโกรธ อีนี่แม่แย่แกล้งใหมาา้มันตายดิ่ัเสือกดีใหญ่เกินไปชิกแล้วต่อมาเขาเล่าระัดเวลาแล้วน้อยเรื่องนี้ยาวเหยียดนี่แค่ตัดท้ายระจิ๋วเนี่ยก็ต่อมาเรื่องสุดท้ายหลวาต้องข้ามมามาวันหนึ่งนางเบ ม, มาคนิยาคิดว่าจะหาทางฆ่าพระนางสา ม, มาวดีให้ได้พรานางมัคิยาในเขาเกียวพระพุทธเจ้า เรื่องเป็นไ่ไงว่าทีหลานยิ่งฟัก็หาหางูตัวผิดเปรียมังมีพิษตถอดเขี้ยวพิษเช่หาทางคนไปใส่ไว้ในพินของพระราชาพัสดีกันแล้วก็ดอกไม้อุดไว้ต่อมาก็พระราชาี่ทสมเด็จบ้านและเจ็ดวันมีสามเมีย เจ็ดสายี่ิบเอ็ดยี่ิบเอดนครบรอบก็มีสามเเมีและเจ็ดวันเจ็ดวันดวันก็เป็นเวรที่จะถึงบ้านเขาวนาสามเอวดีพอดีพนามาคิยาก็คานหาว่านาาสามเอวดีคิดร้ายต่อพระองค์พระองค์ก็ไม่เชื่อนี่ใช่ายที่สุดก็ไปห้องพนาาสามเอววดีนามาคิยาก็ตามไปด้วย พระเจ้าเทนทรงห้ามเธอไม่ฟังเพราะจิตศิษยา ย, ยากแกล้งีอยู่แล้วเอาดองงูร้ายผ่าใในพินลอวกด่ากเอาดอกไม้ อ, อุดเมื่อพระราชาไปก็ถือพินไปด้วยก็ไปวางพินกำลังกำนางสามารีกำลังต้อนรับให้อาบน้ำมักทา่าบาคณิยาเจนดึงดอกไม้ออกจากที่อดของงูรู้ว่าถูกกักกระนายมันก็เลื้อมางงงยิงกองยิง พรรนางมาคติยายก็บอกว่าพระราชาชาวนี้สามเมาดีคิดฆ่าพระองค์เอางูมาทำพิจิกัดให้ตายเขาเล่า ล, ะละัดเป็นน้ำใบตอนนี้พระเจ้าเทนเห็นชัดว่าสนางสามเมาดีแกล้งน่จะฆ่าแน่ที่จึงสั่งให้บรรนางสามเมาดีกับหญิงห้าร้อยยิงยืนเรียงหนึ่งเป็นตั้งแถวเรียงหนึ่งนะให้พรรนางสามเมาดีอยู่หน้าแต่ความจริงสอนของท่านน่ะ ห้าร้อยคนในยิงทะลุแน่ทีเดียวไม่ต้องซ้ําในเมื่อพนานสามาดีนว่าพระเจ้าเทียนจะค่าแน่เขาสั่งยิงทั้งหมดเดือดเดือดแถวกันแล้วว่าเธอทั้งหลายจงอย่ากโกรธพระราชาจงอย่ากโกรธน้ำพระนานมาธัญยาจงแผ่เมตตาจิตไปในคนสองถ้าทุกคนจงมีความสุขทือขอรดทันได้รรทันเอาพระเจ้าเทียนก่อนมาขอก่อนให้เตือนลูกน้องก่อนและจริงๆ พอทุกคนบอกว่าแผ่เมตตาพร้อมแล้วก็ให้สัญญาให้พระเจ้าอุเทียนยิงพระเจ้าเทนก็เหนี่ยวลูปสองปล่อยไปลูกศรมันก็เหมือนเหมือนกับของที่มีชีวิตพอพุ่งไปใกล้ อ, อกพนางสามาวดีที่อยู่แนวหน้ามักลับย้อนมาจะเข้าออกพระเจ้าอเทียนแต่หล่นลงไปพระเจ้าเทนตกใจคิดว่าลูกศรซึ่งไม่มีชีวิตยังรจักความดีของพนางสามาสามาวดี ถ้าเราจะแท้เป็นคนมีจิตใจไม่รู้จักความดีทิ้งสอนวิ่งเข้าไปจะ ก, กราบที่ว่าที่บาทที่เท้าของนางสาวมาวดีพรนางสามาวดีก็ลุกก้องลงประคองเขาไว้แต่ก็บอกว่าทําไม่ได้กราบไม่ได้พระเจ้าเท่งบอกว่าเธอมีคุณกับฉันลูกศรไม่มีชีวิตเจตใ จ, ใจรู้จักความดีก็เธอไอฉันนี่มันเรลวกว่าลูกศร จะต้องขอเข้ามาเธอพนาสามาวดีก็บอกว่าถ้าต้องการขอเข้ามาหม่อมฉันให้ขอเข้ามาอาจารย์คือพระศาสดาได้แก่พระพุทธเจ้าก็เป็นนว่าพนาพนาสามาวดีกับหญิงห้าร้อยรอดตายพระัยเมตตาจิตอันนี้เวลามันจังหมดก็ขอแนะนําในตอนนี้ว่าคนที่เป็นพระโสดาบันแต่ความจริงพระโสดาบันที่พูดมานีนขั้นสูงสุดจะเป็นสกิทาคาร ม, มีอยู่แล้วนะ ถ้าขั้นต่ําก็จะมีความหวั่นไหว้วยความตายมากกว่านี้แต่ว่าการโต้อตอบด้วยการทําลายฉินไม่มีอารมณ์ของาโสดาบันไม่แย่ขั้นต่ําอันดับแรกจะมีความรู้สึกตามความไม่จริงบ้างตามธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกกนหนึ่งหมาย่าคนที่ไม่ถูกนินทาไม่ถูกส่งเสริมไม่มีในโลกถ้าใครเขานินทาว่าร้าย ในตอนต้นๆจะมีความรู้สึกว่าเป็นจินธรรมดาของชาวโลกเป็นอย่างนี้ท่านนิท า, ทามากๆนะเข้ากัหวันไหวเล็กน้อยแต่ไม่โต้อตอบด้วยการทำลายศีลมากพระดีเมตตาธรรมดายญาติโยมพรทธบริษัทท่างหลายโดยทุนหน้าเวลาเหลือหนึ่งเดทีแม่ขอนักปฏิบัติทุกคนการปฏิบัติพระกรรมฐานค่อยๆทำตามกำลังของม็นโสดาบันแล้วถ้าทำได้กระจงอย่าพิ่งคิดว่าเราเป็นเป็โสดาบัน จะเกิดความระมัดถ้าเอญเป็นมัศดาบันจีมันคิดว่าเรายังไม่ดีทั้งหมดเพียงแค่นี้เรายังไม่ได้เป็นพระสกิทาคามีถ้าเป็นพระสกิทาคามีแล้วก็จงหยาประมาคิดว่าดีแล้วเรายังไม่ดีเพราะเรายังไม่เป็นพระนาคามีถ้าเป็นพระนาคามีก็จงยังคิดว่าเราดีแล้วเพราะเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ถ้าเราเป็นพระอรหันต์แล้วก็จงอยาคิดว่าดีเพราะเรายังไม่ป็ินิพพาน แในเมื่อยังมีร่างกายเพียงใดความทุกข์จะมีเพียงนั้นจะนั่งขึ้นเขีว่าความทุกข์เกิดจากกายขอมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปทศร่างกายนี้ตายแล้วขอเลิกกันขอปณิพาน์จุดเดียวอริยบรนดาล ญ, ญ, ญาติโยมทุกคนตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานศีล ส, สมาทานและกรรมฐ า, าน